จากพระโอษฐ์พระพุทธเจ้าเป็นส่วนมากจากนั่นก็เรียนจากสาวกซึ่งล้วนแล้วตั้งแต่ถอดเอาของจริงออกมาล้วนๆไม่มีกลอมเลยจะเป็นสาวกแสดงก็าตามพระพุทธเจ้าแสดงก็าตามเพราะเป็นธรรมของจริงด้วยกันรู้จักออกมาจากใจถอดออกมาจากใจ การแสดงทำลึกตื่นหยบละเอียดมากน้อยเพียงไรจรึงมีแต่ของจริงล้วนๆผู้ฟังจึงบูดดึมขณะที่ฟังก็เป็นภาพปฏิบัติไปในตัวจิตใจได้รับความสงบเยอเือกเย็นในขณะที่ฟังและได้อุบายะปแปลกๆต่างๆในขณะที่ฟังจิตใจเพื่อเชินต่อการระดับขับฟังไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นผู้มีความมุ่งหวังต่อ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 ว่าวันนี้จะได้ฟังธรรมจากท่านน่ะดูอากับศิริยากรงไหนๆกน็มีความกระยิ่นยิ้มย่องทั่วถึงกันหมดเพราะท่านเคยได้บายจากการฟังการฟังธรรมผู้ที่มาฟังธรรมนั้นมีภูมิจิตภูมิใจต่างกันเป็ น, นำลำดับำลำดาตั้งแต่พื้นพื้นผู้ที่ฝึกหัดใหม่เนี้ย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 ลงสู่ความพยายามของผู้ปฏิบัติธรรมให้ต่างคนต่างมีแก่จิตแก่ใจมนอบลมมีสมัยปัจจุบันก็เป็นเช่นนั้นยิ่งผู้ปฏิบัติได้พาจากท่านไปสู่รฐานที่ต่างๆบางทีเดือนหนึ่งก็มีสองเดือนก็มีกลับมา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 เล่าถวายท่านนะ้รถ้าท่านเริ่มเท็คือส่วนที่เล่านั้นไม่ได้มาเล่านที่ทุ่มลงทนเวลามาถึงแนวก็ไปหาท่านโดยเฉพาะท่านก็แก้แต่ตอนนั้นตอนนั้นในจุดที่ควรแก้ในระยะ น, นั้นจุดไหนที่จะควรเป็นประโยชน์แกกสาธารณทั่วๆไปท่านก็อธิบายตอนประชุมเนี่ยตอนที่น่าฟังมากบรรดาผู้ที่ ได้รับ ก, การอบรมศึกษาจากท่านในขณนะนั้นจึงรู้สึกว่าได้ผลได้ประโยชน์เป็นที่พึงพอใจมากทีเดียวส่วนข้างพุทธการล้วก็ทราบแล้วว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ประทานพระโอวาดเองโอวาเดอะที่กิคโอวาดังที่พูดมาแล้วนั้นมันก็ลืม ที่อบรมพระอบรมเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาอย่างนั้นตามพุทธกิจที่พระองค์ทรงบำเพ็ญนี้ที่พระองค์ทรงดําเนินอย่างนั้นเมื่อพระองค์ประทานพระโอวาทบรรดาพระสงฆ์จิตทุ่งดวงก็ต่างองค์กันตั้งไว้ในระดับ พอดีกับกําลังความสามารถของตนธรรมเทศนาที่ประทานมานั้นก็ย่วงไหลเข้าสู่จิตใจโดยเฉพาะเฉพาะตามขั้นตามจุดของตนพอเหมาะพอสมพอดีพอริดพอ ด, พอดีเรื่อยๆ เ, เรื่อยไปองค์นี้ที่อยู่ในระยะนี้พอได้สนับคําจากท่านแล้วมีข้อข้องใจอยู่ในจุดใดในขณะที่บําเพ็ญพอได้ฟังจากท่านเท่านั้นซึ่งกําลังสงสัยอยู่ ก็พอดีธรรมะท่านก็เปิดทางให้แล้วขยับตัวไปได้ขยับขึ้นไปเรื่อยๆอ่างหลายครั้งหลายผลก็สําเร็จเนี่ยที่ว่าบรรดาพุทธบริษัทฟังธรรมของท่านได้สาเร็จมากคผลนิพนธ์เป็นเงินมากเป็นอย่างนี้ประการหนึง่งครั้งพุทธการก็รู้สึกว่าคนผิดกันอยู่มากกับสมัยปัจจุบันนี้เกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมไม่ค่อยมีอะไรมากเป็นเครื่องควรใจเป็นเครื่องส่งเสริมกิเลส มีธรรมชาติธรรมชาติที่อาศัยกันะดูกเท่านั้นเหมือ น, นเในต้นหมายของหลวงพ่อที่มีมาวันนี้เองมูลที่เรศ ก, ก็ไม่มากคนก็โกงไปโกงมาทำก็เป็นธรรมของจรินเมื่อแสดงออกไปมากน้อยอย่างไรก็เป็นที่ทราบซึ้งสําหรับผู้ฟังโดยลําดับกําลังเมื่อฟังแล้วก็เอาไปปฏบิบัติตามมาฐานที่ทต่างๆที่เห็นว่าเหมาะสมแต่การบําเพ็ญของตนตามะดิมิสัย เมื่อเกิดข้อข้องใจอะไรมาก็มาถุมถามพระองค์ก็ทรงชี้แจงให้ทราบและประทานอวบและทั่วถึงกันนี่เป็นประเพณีในครั้งบุตรการท่านดำเนินอย่างนั้นมาโดยลำดับธรรมดาถือการปฏิบัติเป็นสิ่งสำคัญมากยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดในวงพระศาสนาผิดกับสมัยปัจจุบันนี้มาก สมัยนี้เราทุกคนก็พอจะหน้าพันหน้าว่าเป็นอย่างไรความเคลื่อนไหวของศาสนาและพะุทธธรรมมีผิดแปลกกันอยู่มากข้างนั้นมีหลักเกณฑ์อยู่สำคัญคือการปฏิบัติเพื่อมรรคผลมิตรพานจริงการแสดงออกแห่งรมด้วยความรู้จริงเห็นจริงเป็นสิ่งที่แจ่มแจง้งชัดเจนตามเหตุตามผลตามความตัดความจริง ไม่มีค้าเกลื่อนเลื่อนลอยผู้ฟังจริงได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่มีความสงสัยในการแสดงว่าแสดงไปอย่างนี้เห็นจะถูกหรือน่าจะถูกน่าจะอย่างนั้นน่าจะอย่างนี้ไม่มีสำหรักท่านผู้รู้จริงเห็นจริงท่านแสดงอย่างตรงไปตรงมาเลยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างท่านอาจารย์มั่นเราอยู่กับท่านก็เป็นเวลานานตีอไม่เคยได้ยินเลยคําว่าเห็นจะเป็นอย่างนั้นจะไม่ไม่ปรากฏ มีแต่ว่าต้องอย่างนั้นต้องอย่างนั้นเลยแล้วเน็ตตรงไปเรื่อยๆเล ย, เลยอย่างเข้มคนเดียวเทศอย่างถึงใจเพราะท่านท่านเทศท่านออกมาอย่างถึงใจผู้ฟังก็ถึงใจจิตใจมันทองขึ้นเหมือนกับพระนิพพานมันเอื้อมถึงอยู่ในขณะนั้นในขณะท่านเทศท่านเปิดทางให้มองเห็นนี่แต่มันไปไม่ได้มันก็เอื้อมมือถึงอยู่แต่จับไม่ได้ <c oughs> เป็นลักษณะนั้นเนี่อ่ะการเทศ ออกมาจากความรู้จริงเห็นจริงผลจึงมีความต่างกันอยู่มากพระพุทธเจ้าทรงสแสดงเองก็เป็นอย่างนั้นม น, นาสาวกสแสดงก็เป็นอย่างนั้นเพราะท่านก็รู้จริงเห็นจริงเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าตามภูมิของท่านแต่เรื่องสัทธรรมนั้นเป็นความเจงแจ้งสมบูรณ์เป็นที่ภายใน จ, จิตใจถึงกับขั้นพระอรหันต์น้าต้องเป็นผู้สมบูรณ์เต็มที่การสแสดงคําออกจาก ความจริงทั้งหลายดังกล่าวนี้จึงแสดงได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มอัดเต็มทำเต็มใจไม่มีสงสัยไม่มีสะทกสะพานว่าอันนั้นน่าจะถูกอันนี้น่าจะผิดไม่มีในจิตของพระสาวกอรหันทั้งหลายเพราะท่านรู้จริงเห็นจริงอย่างแจ่มแจ้งไม่มีอะไรสงสัยการแสดงออกจะเป็นประเภทไนก็ตามแห่งธรรมทั้งหลายสมาธิก็แจ้งได้อย่างละเอียดละออดแสดง ให้ถึงฐานของสมาธิปัญญาทุกขั้นแสดงให้ถึงฐานของปัญญาขั้นนั้นๆจนกระทั่งถึงขั้ น, นมุเดิทนแสดงออกมาจากใจจริงที่รู้จริงเห็นจริงแล้วจึงจแสดงออกมาผู้ฟังก็สามารถจะเข้าใจได้แม้จะยังไม่ละละถอนอยังไม่ได้ก็าตามแต่ก็เป็นเครื่องปลูกศรัทธาความเชื่อความสามงสัยหรือความตั้งมัน่นภายนอจิตใจให้แน่หนามันคงยิ่งขึ้นโดยลำดับลำดับนี่ ขึ้นตักตวงอมคผลนิพพานกันเรืเ่อยๆเรื่อยๆนั่นสมัยนั้นเป็นสมัยตักตวงอมคผลนิพพานเป็นสมัยตักตวงข้อวัดปฏิบัติการบำเพ็ญ เ, เ, เ, เป็นเม็ดเต็มเหนี่ยเต็มพรติกําลังผลที่จะผลได้ครับจึงเป็นเช่นนั้นสมยัยของพวกเรานี่เป็นสมยัยลูกคำลูกนั่นคํานี้คําไปคํามาก็ได้แต่เครื่อง ส, ปสปโปรกโสมงเต็มหัวใจ สิ่งที่จะเป็นอัดเป็นทำพอเป็นเครื่องกัดถอนกิเลสไม่มีมีแต่เครื่องพอบพูนกิเลสเดือนมากน้อยก็ต า, ามแต่อะไรก็ตามมีแต่เรื่องพอบพูนกิเลสทั้งนั้นมันตรงกันข้ามกับสมัยพุทธกาลที่เราจะว่าทําไม่มีผลในสมัยนี้ก็ถูกเพราะคนไร้ผลคือไร้เหตุเหตุที่จะพึงเป็นไปเพื่อผลนั้นนั้นไร้เสียหมดไม่สนใจไม่ประพฤติปฏิบัติผลจะเกิดขึ้นมาได้อย่างไร ถ้ราะผลเกิดขึ้นจากเหตุตั้งแต่ไหนแต่ไรมาเหตุ ด, ดีผลดีเหตุตเต็มที่ผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยถ้าเหตุไม่มีผลจะเอามาจากไหนธรรมะก็สักต่ว่าธรรมจะมีอยูน่ในตู้ในหีบกัมภีร์ไบรลันท่านแสดงไว้ถ่ายก็มีอย่างนั้นถ้าคนไม่รู้ที่ปฏิบัติให้เป็นไปเรื่องของจิตเดชก็อยู่กับหัวใจของคนไม่อยู่กับตำหลับตํำลาอันนั้นมีแต่ชื่อของจิตเดชปัญหาอาชวะชื่อของมรคนิพพานตัวจิตเดชอาชวะจริงๆแนละตัวมรคนิพพานจริงก็คือใจอยู่กับบุคคล เมื่อเราตั้งจิตตั้งใจประพฤติปฏิบัติตั้งใจถอดตั้งใจถอนกิเลสอาสวะต่างๆซึ่งมีอยู่ภายในหัวใจนี้ทำไมจะถอนไม่ได้ทําเป็นเครื่องถอดถอนกิเลสมาตั้งไหนตั้งใใแต่ไหนแต่ายอยู่แล้วพร้อมที่จะถอนเสมอถ้าเรานําเครื่องมือถูกต้องอันถูกต้องไปถอดถอนดังพระพุทธเจ้าและสาวกท่านสังสอนไว้และท่านดันเนมมาเพราะฉะนั้นสมั ย, ยนู้นสมัยนี้จึงไม่มีอะไรผิดแปลกแตกต่างกันเลย มันอยู่ที่ใจของเราด้วยกันพากันตั้งใจประพฤติปฏิบัติคำว่ากิเลสถ้ามเมื่อมันเป็นตัวของเราเราเป็นกิเลสกิเลสเป็นเราแล้วมันก็ไม่น่ากลัวไม่น่าขยะขยะขยแงแต่ถ้าแยกกิเลสเป็นประเภทอันหนึ่งขึ้นมาเช่นเป็นภาพสึกต่อเราเอาเราชำระกิเลสหรือเราฆ่ากิเลสเอากิเลสตัวนี้ก็ตายความโลภ ตัวนี้ตายออกมารูปลกักษณะอะถ้าเอาเป็นรูปเป็นนั่งนะความโลภเป็นกิเลสชนิดหนึ่งก็เป็นสิ่งที่น่ากลัวมากประกาศโลภเข้ามาดูใครก็ดูไม่ได้ตัวโลภนีิแล่มันทานทาโลภให้เดือดร้อนวุ่นวายทุกวันนี้นี่ได้ฆ่ามันไปแล้วเนี่ยเหมือนกับเสือร้ายตัวหนึ่งมันเที่ยวกัดผู้กัดคนไม่ได้เว้นแต่ละวันและวันกัดเปละจํานวนมากๆด้วยคนที่หายไปกลวงไปเพราะอำนาจของเสือร้ายคือความโลภนี่มันมันกัดคนอ่า เวลานี้จะตายเนี่ยมีลวดลายมันเป็นนีรูปลักษณะของมันเป็นนี้ประกาศให้โลกมาดูใครต้องกลัวกันทั้งนั้นทีเดียวถามว่ามันเป็นรูปเป็นล่างอย่างนั้นเอาความโกรธความโกรดนี่คือคือภัยทั้งกองทีเดียวเอ่แล้วรูปล่างของความโกรธนี่มันเป็นอย่างนั้นตัวมันเป็นอย่างนั้นเราหูหางกลางตัวเป็นนี้เขี้ยวเป็นนั้นลวดลายนเป็นอย่างนี้ความโกรธเป็นลักษณะอย่างนี้นี่เวลานี้ตายแล้วเนี่หามาทิ้งไว้นี่อ้าวประกาศโลกให้มาดู ตัวเนี้ยตัวร้ายกาศที่สุดโลกพิ่หน้าที่หายได้เพราะตัวโกรดนี้วเวลานี้ได้ฆ่าแล้วใครต้องการจะฆ่าให้ฆ่าตัวนี้มันมันร้ายกาศมากถ้าต่างคนต่างมาเห็นแล้วก็จะเห็นเป็นภัยขึ้นมามีอยู่ภายในจิตใจของตนก็กลัวก็ขยะขยะแขงและมีทางที่มีใจใจพอใจที่จะถอดจะถอนจะฆ่ามันความโลคความโกรธความหลงทั้งสามอย่างนี้เป็นอาวุธพิษตัวร้ายกาศที่สุดในโลกทั้งสาม เมื่อแยกออกมาเป็นตนเป็นตัวแล้วเรียกว่าเป็นจอมโลกผู้บังคับบัญชาผู้ทําคนให้เราลาค่าฟันกันทําความพินาศที่หมายเจ้โลกก็คือตัวใครสามกองพลนี่แหละวะใครก็ต้องกลัวกันทำนั้นถ้าเราแยกตัวของพิเดตออกมาได้อย่างนี้แต่เมื่อพิเดตเป็นตัวของเราแล้วเป็นเราเป็นของเราเราไม่สามารถจะแยกได้เราก็พิเดตก็อยู่ด้วยกันได้สนิท สบายโลกบันนั่งคําจะให้ตายกับความโลภก็ได้พอใจจะโลภโกรธก็ตาดําแสดงก็โกรธได้ทั้งนั้นเน่ยพอใจจะโกรธหลงจะไม่มีวันตื่นเลยนี่มันก็หลงได้เพราะมันเป็นเรื่องของเราเสเองเรายึดว่าเป็นเราเะเองมันก็เห็นมีอะไรเป็นภัยทั้งๆที่มันเป็นภัยแกตัวอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันมีอยู่ภายในจิตใจของเราขึ้นขึ้นว่าพิเรนแล้วมันเป็นภัยแล้วทั้งก็ต่างแต่เราก็ไม่เห็นว่ามันเป็นภัยก็อยู่ด้วยกันได้เนี่ยเอาเกิดก็เกิดจะวางไง ทุ ก, ก็ทุกเสียใจก็เสียใจเพราะนางเห็นท้ยายเสียกิเลสเป็นเราเลราเสียใจว่าก็พอเสียใจอืมถึงขนาดที่ว่าจะสลบสลายก็ยังพอใจสลบสลายเสียใจขนาดจะตั้งสติไม่ได้ไมันก็พอใจเสียใจคนเราอืมร้องไห้ก็พอใจร้องไห้ทอดถือว่าเราเป็นเราถ้าว่าได้แยกอันนี้ออกมาเป็นอันหนึ่งแล้วเราจะเป็นอย่างนั้นไม่ได้ต้องมีท่าต่อสู้กัน เมื่อมีท่าต่อสู้กันก็ต้องมีความแพ้ความชนะกันจนได้แล้วเห็นภัยของกันอย่างชัดเจนทีเดียวนี่ให้เราแยกอย่างนี้การพุทธปฏิบัติตนเองความคิดในแง่ใดที่จะเป็นไปเพื่อความนอนใจเป็นไปเพื่อความสังสมกิเลสเป็นไปเพื่อความดรอนแจ่ตนเป็นไปเพื่อความล่าช้าให้เราถือว่ามันเป็นภัยเช่นเดียวกันหมดนี่คือลูกนี่คือหลานคือเหลนของกิเลสทั้งนั้นถ้ามาแช่เป็นกิเลสตัวจริงก็คือลูกตาของมัน มันเป็นลูกของเสือทั้งนั้นแหละอืแม่มันจะพาเป็นเสือลูกพอพ่อทําเป็นเสือลูกมันจะเป็นอะไรถ้าเป็นเสือถ้ามันไปไม่เรื่อยหนึ่งให้เราเห็นโทษของมันอย่างแยกกันออกนี่อุบายของสติปัญญาจะแยกเรื่องที่เหลือ ก, กับตัวออกต้องแยกอย่างนี้หาวใบคิดแทงปลี่ยนแปลงหลายแงหลายกระทงมันก็ทํากันเองถ้าเราไม่หาอุบายอะไรเลยเราที่เหลือ ก, ก็กอดคอากันตายตลอดกลับตลอดกันไม่มีธนวัฒนมาตะโคหมายถึงว่าไม่ มีต้นไม่มีปลายไมทราบต้นทางอยู่ที่ไหนปลายทางที่ไหนวนเยียนกันอยู่เหมือนกับมดปลายขอบดงวนไปเยียนมาไต่ไปไต่ามาหาทางออกไม่ได้เรื่องวัฏสงสารกับหัวใจของเรามันก็วนไปเยียนมางั้นนะาทม่เราจะมาตื่นแต่ของเก่าละ่ะเกิดเท่าไรเพราะว่าตนไม่ได้เกิดตายรี่เราไม่ใช่เขาเราไม่เข้าใจว่าตัวเคยตายเคยทุกข์เค ย, เคยลําบากเรื่องของตัวแท้ๆมันก็ไม่ทราบเรื่องของตัวก็คือเรื่องของกิเลสเนี่ยเป็นตัวถ่ย เผื่เราได้พยายามแก้ไขแยกแยะ ก, กันอยู่เช่นนี้วันหนึ่งจนได้ที่เราจะทราบหน้าทราบตามันอยากชัดเจนแยกกันออกแยกกันออกเมื่อแยกกันออกตัวนี้ก็เห็นชัดตัวนั้นก็เห็นชัดตัวนี้ก็เป็นภัยตัวนั้นก็เป็นภัยอันไหนก็เป็นภัยสิ่งที่ยังแก้ไม่ได้มันก็ยังเป็นภัยมันก็พยายามเข้าไปเหมือนอย่างเราถอดเสืน้นถอนหนาออกจากเท้าของเราเนี่ยอันนี้ถอนออกมาได้แล้วนี่ก็คือน้ํา ที่ยังถอนไม่ได้ก็คือหนามเนี่ยแล้วจะนอนใจได้ไงมันต้องพยายามถอนออกมาถอนออกมาจนได้เอาจนหมดไม่มีอะไรติดอยู่ที่ฝาเท้าหายามมาพกมาใส่แย้มมันหายไปปกติน่นส่วนคิดเด็ดที่เห็นแล้วก็เป็นอันว่าเห็นค่าตายแล้วก็เป็นอันเข้าใจว่าตายแล้วส่วนที่ยังอยู่มันก็คือกิเด็ประเภทเดียวกันมันจะต้องเสียบแทงจิตใจของเราอยู่ตลอดไปถ้าหากว่าแก้ไม่ได้ที่ถอนถอนมันไม่ได้หนีเป็นความมุ่งมั่นหมือนที่จะแก้ มีม า, ะานะธายนจิตใจที่จะแก้มันก็แก้ไปได้โดยลำหนักลำหนักต้องมีความเฉลิมแข็งพระพุทธเจ้าเป็นแนวหน้าแห่งนักรบเออสาวกอรหัตอรหันเป็นแนวหน้าเป็นลูกนักรบผูห้หนึ่งหน่ะเราก็เป็นพุทธบริษัทก็ลูกของนักรบเราอยากให้เป็นนักรบให้เป็นนักรบไปเรื่อยสู้กันไปเรื่อยไม่ถอยเราสู้เพื่อใช้ชนะ ยกเราก็ขึ้นจากหลงลึกจะยากลำบากยกจนขึ้นเรามายกใครจะยกเราไม่ถอนใครจะถอนหนามยอดเท้าเราเราไม่ถอนออกใครจะมาถอนให้ความเจ็บเป็นของเราเป็นเราผู้เจ็บถอนต้องเป็นเรื่องของเราผู้ถอนที่เดือดเจ็ดแทในในใจิตใจก็คือจิตใจเราถูกเถียรแทงอยู่วันนั่งค่าคืยนยังรุ่งเป็นของดีเมื่อไหร่เราพยายามถอดถอนออกโดยลำํลำดับลาดับสติปัญญาผิดขึ้น หอบายพลิกแปลงเปล่ยนแงสติปัญญาเป็นสิ่งที่พืดได้พิจารณาได้ต้องพิจารณาขึ้นมาค้นขึ้นมาให้เกิดอุบายปัญญาต่างๆแตกแขนงไปวันย่างคำอุบาจารย์จะเป็นจะเพียงพูดแนะให้ถือท่านยื่นให้อปัญญาเขยื่นให้ทั้งดุ่นเราจรึงเอาปัญญาที่ท่านแสดงให้นั่นไปแจงออกโดยลําดับลําดับแตกแขนงไปนั่นเป็นอุบายของเรา แล้วกินวันยัางค่าไม่หมดกินตลอดไปก็ไม่หมดถ้าสินในที่เราผลิตขึ้นได้เองส่วนที่ไปหยิบยืมเข้ามาถ้ายแล้วมันหมดัางทีดูดซีนดูดมีแต่เสียหายกระชายไป ก, ก็มีถ้าเราผลิตขึ้นมาได้ไม่เป็นไรอ่าอันนี้หมดเอาผลิตขึ้นมาอันนี้แต่ไปผลิตขึ้นมาผลิตขึ้นมาเรื่อยๆเมื่อคนมีปัญญาแล้วไม่จนกรอบวิเลท้าให้คนจนจนกรอบจนมุมปัญญาไม่พาให้จนกรอกมุมเป็นพุทธ แทงทะลุ ป, ปูไปลงก็ได้เพราะหน้าของปัญญาท่านจึงชมนัตติปัญญาธมาอาภาานานท้าทิตท่านว่าแสงสว่างจางเสมอโดยปัญญาไม่มีปัญญานี้แทงทะลุเข้าไปหมดไม่ว่าข้างบนข้างล่างอดีตอนานคตปัจจุบันข้างในข้างนอกอยากละเอียดของที่เด็ดความมืดดำอยู่ที่ไหนคือที่เดดอยู่ที่นั่นปัญญาแทงเข้าไปจนทะลุ ป, ปูปลงพิเดศหาที่หยดช่อนไม่ได้ ถูกค่าทุกวันทุกวันทุกวันเราไม่ต่างคมมันขึ้นมามีแต่ค้นคุยเฉียหามาฆ่ามันตลอดแต่ที่เหลืมอบลงไปเอาฆ่าไปค้นขึ้นมาค่าเรื่อยๆฆ่าโดยตับประทับเทาได้ตับประทับตธบประทคือความเพียนเครื่องแผละเทาที่เลือเอาให้มันคิดหาโดยโดยลำหนับลําดักที่เหลืมันจะตั้งบ้านตั้งเมืองที่ไหนอีกีมันจะเอาลูกท่าเหล่ากวาที่ไหนเมื่อถูกฆ้าวันหนึ่งมันหลายๆตัวหลายๆ ิมันก็หมดไปหมดไปผลสุดท้ายต้องมีกิเลสตทวะเหลืออยู่ภ า, ายในจิตใจใจก็สว่างกระจ่างแจ้งตามธรรมชาติของตนฉายแสงออกมายอย่างหน่ า, าอัศจรรย์นี่อำนาจแห่งธรรมแสดงเป็นที่แล้วอนนานาจของกิเลสแสดงความมืดดำเราเห็นอยูท่ทุกวันทุกพ่ําทุกขรทุกล์ทุกม์ทุกข์ทุกข์ ท, ท, ทกุกข์ทุกข์ทุะข์ทุกข์ทุกข์ทุกขัทุกข์ทุกข์ทุรข์กกขกกทุกกททกก หรือลำบากเป็นไงก็เป็นงานที่ควรอยากยิ่งที่เราจะต้องทำเก็ยกตนของเราเพราะเรามีคุณค่ามีน้ําหนักมากยิ่งกว่าความลําบากในการถอดถอนที่เหลือซะอีกอเราก็ต้องพย อ, อยามผ่าคันพิจารณาให้ดีแยกแยกให้ละเอียดก็ออกถ้าขีดข้งขี่หดขีดกระโดดควบคุมก็ตามแยกทำมันเห็นชัดเจนเอาจนทํานิทานานเอาทำนิทํางานแล้วอยังมาแล้วเอาจนระทั่งรู้จนมาทั้งปล่อยวาง รู้สริงเห็นจริงนี่มันปล่อยเองวางเองไม่ต้องบอกก็ปล่อยถ้ารู้แล้วเช่นเดียวเราเราจับอรชาพิษขึ้นมาเข้าใจว่าเป็นอาหารพอทราบอรชลพิษทั้นมันสลัก ท, ทันทีเลยเนี่ยปัญญาเมื่อได้เห็นจริงในสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยแล้วมันก็สลักปล่อยเองจิตใจปัญดาผู้เบิกทางให้เป็นผู้ชี้แจงว่าอันนี้ผิดอันนี้ถูกพอใจทราบนั้นมันก็ปล่อยเองต่อเองปล่อยเองโดยลำหนักลำหนักนี่การปล่อยอุทางก็คือการปล่อยภูเขาทั้งโลกที่มันทับหัวใจอยู่ ของเราอยู่นันเองภูเขานี้ได้เกิดพิเละมากหรือน้อยแต่เท่าตัวของเราเนี่พอดถอนหมดแล้วก็หมดภายในใจของเราเนี่อ่นทันมาอรมณมาสุขที่มันตึงอารมณม่ได้ครับคือเรื่องของพิเละเท่านั้นเองเป็นเครื่องกดถว่วอลดราคาร์ลดคุณค่าของใจใจทั้งดวงแล้วไม่มีคุณค่าเพราะเอาสิ่งที่ไมมีคุณค่าซึ่งครอบอยู่หัวใจไมนออกหมด ด้วยสติปัญญาศรัทธาของเพื่อนเราแลี่สิ่งที่มีคุณค่าก็แสดงแสดงตัวอย่างเต็มที่นั่นแหละพระพุทธเจ้าท่านประเสริฐประเสริฐที่จุดนี้เองสาวกอรหันหันท่านประเสริฐที่จุดนี้เองพ้นที่จุดนี้ไม่ไม่พ้นที่ไหนเพราะผู้นี้เป็นผู้ติดผู้คล้องผู้คาผู้ล่มผู้จมอยู่ที่นี่เมื่อถอดถอนสิ่งที่ปลดทวงออกมือแล้วก็ดีขึ้นที่นี่เออ่ผ่านไปที่นี่พ้นไปที่นี่เนี่ยพ้นทุกพ้นที่าย ไม่ได้พ้นที่ไหนพ้นที่ใจร่างกายมีอยู่ก็ไม่เป็นปัญหาเมื่อจิตใจผ่านพ้นไปใช้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรเป็นมุขสักต่อใจแล้วร่างกายจะเจ็บจะปวดนี้จะเป็นจะตายก็ทราบว่มันเรื่องอันนี้จังทุกการณกาของมันนี่กฎของธรรมชาติร่างกายทั้งหมดนี้มันมันเท่นเดียวกับสิ่งภายนอกนั่นแหละที่มีการตั้งขึ้นแล้วสลายตัวลงไปอันนี้มันตั้งขึ้นก่อเราก็เห็นแล้วตั้งอยู่เราก็เห็นแล้ว มันค่อยแกรองมันไปโดยลาดับๆเราก็เห็นเราก็รู้อยู่ทุกวันเพราเราดูอยู่เป็นของของเรายิ่งเราพิจารณาด้วยทางปัญญาทด้วยด้วยปัญญาได้แล้วก็ยิ่งเห็นชัดเห็นความแกรสภาพของธาตของขันน์มันแปรไปแปรไปถึงเวลาสุดท้ายก็กระจายจะกันไปหมดมันก็กระจายให้มันเองขันมันกระจายให้มันเองมันแตกของมันเองเพราะมันตั้งมันเองแล้วมันก็แตกมันไปเองใจของเราผู้รู้กันรู้มันชัดชถึงความจริงของมันอ่ามันก็ยิ่งจะเป็นเรื่อง ขัดปัรญางเราให้ขัดจิตใจขงเราให้มีความฉลาดอาจารย์แจล้งด้วยอํานักของปัญญาที่แทงทะลุก ป, ปูผงตามความจริงทั้งหลายที่มันแสดงตัวอยู่รอบตัวของเรานี่นะแล้วอะไรจะคิดหายที่เห็นจริงต่างอันต่างสิ่งด้วยกันแล้วไม่มีอะไรคิดหายอาทาติลงใต้อยากลงไปดินก็เป็นส่วนที่ดินไม่ต้องบอกมันก็เป็นข้มันส่วนที่เป็นลมเป็นสายมันก็เป็นไปตามธรร ม, มาชาติมันไม่ต้องบอกมันก็เป็นมันเราไม่ต้องไปตุ้งไปแต่กมัน ว่าหมันเป็นนั้นให้ันเต็นนี่มันเป็นเพรามันเองเมื่อเข้าถึงความจริงกันแล้วส่วนจิตก็จริงของจิตเองไม่ต้องมาเสกสรรว่าจริงหรือไม่จริงเพียงแต่ว่าให้รู้สิ่งเหล่านี้ตามความจริงท่าเองจิตมันก็จริงของมันเมื่อต่างอันต่างจริงแล้วมันก็ไม่กระทบกระเทือนกันไม่มีความมาได้ว่าเสียจากกันนั่นปกติจริงซ้ำหน้าตัวหมดเพื่อหมด่าว อขันก็ไปเสียปิด ก, ก็ผ่านแต่เสียนี่เป็นวาระสุดท้ายสึ่งฝึกกันเสียทีเรื่องความยุ่งเหยิงเกี่ยวกับองถากเรื่องขันธารฮาเวปันจักขันธ า, าระฮาโรจะปุกโรหมดกันเจถยีอย่างพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วหมดความกังวลโดยประการทั้งปวง ผู้ที่ยังคลองขันอยู่แม้จิบริสุทธิ์ก็ยังต้องได้รับผิดชอบในธาตในขันจึงไม่ใช่ของดีความรับผิดชอบรับภาระการเดินการเดินการนั่งการนอนประคับประคองกันด้วยอียบทต่างๆด้วยวิธีด้วยอาการต่างๆมันเป็นความกังวลมันยังไม่เป็นเนม่เต็มหน่อมันฉลาดเอกไปทั้งหมดจิตกรบริสุทธิ์เต็มที่กายธาตุขันก็ออกจากกายจะลงเป็นธาตุเดิมของเขาเนี้ย ทางอันต่างจริงแค่จิตก็ผ่านไปเลยหมดตั้งหมดอันนาฬโยอย่างเป็นภูมิมีเรียกว่าอะมุปาที่เสียสนานิพานชนะสมมติไว้ให้เป็นภูมิของส ม, มุติพิมุติไปเป็นภูมิของพิมุติไม่ต้องมาเกี่ยวข้องกันอีกเหมือ น, นอย่างเวลาที่คลองท่าขังอนู่นี่แหละการปฏิบัติธรรม ผลที่จะถึงได้รับขั้นสุดยอดเป็นอย่างนี้นความลําบากลําบนมากน้อยเช่นไรนั้นเป็นอุปกรณ์หรือเป็นเครื่องอุดหนุนจิตใจให้ข้าวขึ้นมาสู่ระดับระดับจนกระทั่งถึงระดับสุดยอดอเพราะฉะนั้นความลําบากลาบนใดจริงไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราจะควรอิจฉาอาเจียเพราะเป็นเครื่องหนุนลําบากก็ลําบากเพื่อนหนุนจะเป็นอะไรไปเอาให้หนักหนึ่ม ที่เกตาเกิดกุชลาทำมาปัญญาม่หยุดไม่ยัง่งเอาสร้างกุชลาภายในจิตใจให้พอกุชลาทำมาแปลว่าความฉลาดหาอุบายความฉลาดแก้จิตใจตัวเองได้เป็นพ อ, อะตายแล้วขายจากกุชลาไม่กุชลาไม่เห็นมีปัญหาอะไรเราสร้างกุชลารอบจิตใจเราแล้วเป็นพอถามว่าจิตนี้มันยั ง, งโง่อยู่ยังไม่รู้พระหน่ารู้หลังอะไรเลยกกุชลาทำมาอะไรแต่เท่าเดิมมัน ท่นให้เราสร้างกุศลธรรมาอากุศลธรรมมาอันไหนไม่ดีกุศลธรรมาความโง่กําจันออกไปความโง่คือกิเลสอ่ากุศลธรรมมาคือความฉลาดปัญญาขัดไปลงไปถูกันจะมันของสายที่บริสุทธิ์เป็นที่นั่นแต่ว่าอัปยาคตาธรรมาก็ได้มันหมดแล้วเรื่องบุญเรื่องบาปภายในจิตใจเราแยกก็ได้ถึงปรมัตถธรรมคําว่าอัปยากตาธรรมาเป็นสิ่งกลางๆธรรมดาไม่เป็นบุญบาป ในบรรดาส ม, มุดทั้งหลายก็ได้มันจะแยกไปเป็นอภยกตะตาจิตเชื่อจิตที่พ้นแล้วจากบุญจากบาตโดยประการทั้งปวงเป็นจิตของตาปะปะัญญาบุคคลผู้มีบุญและบาปณรเสียแล้วเป็นอภยากตาจิตก็ถูกถึงคันนี้แล้วไม่เสียงใครใครจะให้เชื่อไห้นาำก็ได้ไม่เชื่อไห้นาำก็มีปัญหาเพราะธรรมชาตินั้นอยู่กับตัวตัวผู้ส่งไว้ตัวผู้รู้ตัวผู้เห็นตัวผู้บริสุทธิ์จาเป็นเราจะต้องเป็น หิ้วของนั right ้บชื่อกับนามของมันเอะเนี right. um ่ยหมายถึงว่าหมดปัญหาทุกเพราะความเพียรเพื่อถอดถอนกิเลสมันเป็นความทุกข์ที่เพลินเพราะสิ่งที่ได้มาทําให้เพลิดเพลินให้รื่นเริงหมาถึงผลที่เกิดขึ้นจากความทุกข์ความลําบากในการบาเพ็ญเกิดขึ้นมาเป็นความเบาอกเบาใจถอดถอนกิเลสตัวนั้นได้กิเลสตัวนี้ได้เป็นลำดับลาดับเป็นความเพลิดความเพลิน ยิ่งถึงคำสั้นสูงท่านเรียกว่าอุทธจักรความฟุ้งคือเพลินไม่ใช่ไหมจิตมันไม่ใช่มันฟุ้งไปแบบโลกแบบสงศารนะคือมันเพลินต่อการพิจิตรณาเพลินต่อการถอดถอนพิเรศชนิดต่างๆด้วยปัญญาลืมหลับลืมนอนลืมเข้าที่สมาธิภาวนานีแต่ปัญญาหมุนตัวเป็นเกลียวยนะเป็นความเพลินท่านเรียกวอุทธจัก อพอพ้นแตกก่ลนเล้ามันก็หมดปัญหามันหมดหมดเรื่องแล้วก็สบายอะละยติเยิเทรานี้ <c oughs>